โลกมันเป็นของสะสมปะปนกันอยู่กันด้วยธรรมอยนอกจากนั้นอีกจะพูดอย่านี้หนึ่งเรียกว่าโลกมันนี่มีพร้อมมูลวุธิบุญทุกสิ่งทุกอย่างใครต้องการสริ่งใดถ้าหางนีจากโลกนี้แล้วหาได้ยากที่สุดคนเกิดขึ้นมาต้องการสมบัติพัสดฐานต้องการ เป็นเศรษฐีหาทหาบวดีและเป็นคนทุกข์จนอนาถาก็มาเกิดอยู่ในโลกนี้มามีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นคนที่ต้องการอยากจะจินทามและอยากจะได้ธรรมะธรรมโมก็ต้องมาเกิดในโลกนี้มาพิจารณาค้นคว้าหาในโลกนี้ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเรียนว่าตาเกิดนับเป็นอเนกชาติ แถวแหวงหาวิโมกขะทรามคือทําคพจากโลกไม่ได้เจอหรอกที่อื่นไม่เจอในโลกกว่นี้แหละพอพระองค์ุบัติขึ้นมาด้วยบุญบา ร, รมีนิสัยวาสนาของโงคแก่กล้าเป็นเหตุให้ธรรมะเข้าไปซึมราบในพระทศไทยของผมตั้งแต่ยงเป็นเด็ก จนกระทั่งเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งได้เป็นพระราชากเสด็จออกสู่มหาพิเนศก ร, รมก็เพราะเหตุที่มัทยานาเห็นโลกมันเป็นธรรมเราจะดูได้อย่างประวัติของพระองค์เมื่อจ ะ, สะเสด็จออกสู่มหาพิเนศก ร, รมไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บไปเห็นคนตาย เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายไปเห็นนักโทษที่เรียกว่าเทวทูตหักเอ่อไปเห็นมาคิดที่เรียกว่าเทวทูตหักเป็นเหตุให้คิดทังเรื่องตัวของพระองค์เ่าเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายเรื่องทั้งหลายแล้วนี่น่ะอยู่ในโลกนี้ไปไม่พ้นแน่นอน นอกจากนั้นอีกมอเห็นเครื่องปลูกพัฒนาการของมนุษย์ชาวโลกด้วยสิ่งต่างๆเมื่อไปเห็นโทษอย่างนั้นแล้วมามองดูเรื่องโลกอันนี้เป็นของขับแคบับแคบไม่ hand, hand, มีที่จะได้ความสุขสบายมองไปด้า น, นไหนแง่ไหนก็มีแต่จิตหับแคบทั้งหมด เื่ออยู่ในฆราวาสปกติธรรมดาไม่สามารถที่จะทำคุณงามความดีให้ยิสุดสูงสุดได้พอดีที่หลังไปพบสมณะเห็นท่านหมดปาระท่านเป็นคนสะดโดมากนอดแต่เห็นว่าทางอันนี้แหละทางที่่าคนจัดทุกเทศอันนี้แหละเพศที่จะทำความบริสุทธิ์ได้จริงดะเสด็จออกบวช อันนี้ก็แสดงถึงว่าถ้าพระเถร อ, อง์ก็อย่างมีโลกอยู่อย่างพวกก่อข้างหลายคือโลกกับธรรมาปนกันอย่างนั้นเองแต่ด้วยนิสัยวาสนาพรธรรมมีพิพงศ์ได้ทรงบำเพ็ญ่างมากแต่พอมาเห็นโลกมากลับเป็นธรรมคือเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจันของในเทียงเป็นทุกข์ เลยเกิดความเบื่อหน่ายในการที่เกิดแก่เจ็บตายหากแล้มีเครื่องคขัวพันอยู่ก็จะไม่มีที่สินที่สุดนี่เลยกลายเป็นธรรมธรรมและเกิดขึ้นมาสมโลกนั้นเนีงยมันจะเกิดที่อื่นเหตุนั้นเราที่เข้าใจว่าตัวของเราไม่มีธรรมะนั้นเป็นอันว่าเข้าใจสิบมด ในทางการทำกรรมฐานที่ท่านอบรมผู้ซึ่งจะอบรมกรรมฐานคือสมถะอิปสนาท่านก็ตั้งโลกที่โลกเป็ตัวของเราพูดกันง่ายแลย้วเจ้องเราเขาเรียกว่าขันธโลกเป็นโล ก, กหนึ่งเหมือนกันโลกในน้อยแต่ละคนพัดแต่ละตัวเป็นโลกในน้อยแต่ละโลก เพราะรวมันเข้าเป็นหมหะพ้องกัน เ, เรียกว่าโลกใหญ่โลกอันนั้นมันมีที่สิ้นที่สุดโลกที่ใหญ่สูงกวา้างไกลกล่าวถึงต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธาสรสารพัดทุกอย่างมันเรียกว่าโลกใหญ่โลกกว้างโลกอันนั้นมันมีที่สิ้นที่สุดใครจะพยายามสแสวงหา ให้มันอี่มันพอทั้งเรื่องโกขภายนอกไม่พอคิดส่งไปกรุงแต่งไปเอนไปมัวเมาไปลืมตัวโกคภายนอกอนั้นของ ไ, ไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดคิ่ติแต่ว่าโลกหมนี่แหละมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมามาติดทั้งเรื่องโลก เลยสนุกเตือนเป็นเรื่องลรคก็เลยเป็นโลกใหญ่โตของเล็ก น, น้อยกระจายเป็นของใหญ่คือความพอใจคือความติดชอบอกชอบใจพอใจติดมั่งของเล็กเล็ก น, น้อยกระจายเป็นของใหญ่โตค <c oughs> ถ้าจะเอาประมาณเทียบไปใกล้ง่ายสิ่งพ้อมอะไรก็ตามเถิดที่เราได้มาวัตถุสนใจ ถ่าชอบใจและของนี้เดียวกะกลายเป็นสองมากมีค่าคุณค่ามากถ้าเราติดมันก็อย่างเดียวกันเลยเป็นของพ่วงของเหตุนั้นโลกภายนอกพระเจ้องค์จึงมาใส่สงสอนนะักถึงแม้จะมีความรู้ว่วงของกคนสมัยนี้ก็ช่างสมัยวิทยาศาสตร์ก็ารู้ว่วงขางมาก อย่างเขาไปเหยียบโลกไปกันท่องเที่ยวโลกไปกันในประวัติศาสตร์ของโลกยังไม่เคยมีมียุคนี้สมัยนี้ว่าเก่งที่สุดจึงสามารถไปเหยียบโลกไปกันได้แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามถ้าจะเทียบกันกับสมลูปของพระพุทธเจ้าอังนั้น ท, ที่พระองค์ก่อนยังไม่เคยเสด็จไปเหยียบโลกไปกันเลย แตกจะรู้ทั้งเรื่องโลกไม่ใช่แต่โลกไปกษัตโลกพวงตาสตุปสีลารู้ดไม่ใช่แต่โลกท่านั้นมนุษย์ะโลกเขียวโลกภูมิโลกอบายาโลกท่านรู้ว่าพูดได้ถูกต้องรัดได้ถูกต้องทุกสิ่งทุกประการทำไมจิตด้วยาถูกต้องคือท่านแสดงถึงเรื่องภูมิ ภูมิคลที่ไปเกิดในภูมนั้นพบนะเพราะนั้นต้องทําบาปทําบุญอย่างนี้อย่างนี้จึงเข้าไปเกิดนี่แถนแรงแถงแสดงถึงเนื่อภูมิที่จะไปเกิดเบื้องต้นไช่ป่ะเมื่อไปเกิดในภูนั้นภูมินั้นแล้วจะต้องเสวยอาหารอย่างนั้นจะต้องมีรูปร่างลักษณะส่าฐานอย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุยืนนานขนาดนั้นนั้นทําไมผมจะรู้ได้พราะไม่ได้เสด็จไปหรือแกจะรู้ได้หมด อย่างมนุษย์โลกของเราเนี่ยต้นน้าลำทานเกิดจากภูเขาลูกไหนชื่ออะไรทำไมจึงชื่ออย่างนั้นมีเรื่องมีประวัติสืบเนื่องอยังไงทำไมจึงใส่ชื่อไปอย่างนั้นเรื่องนี้มายาพิสดารมากถ้าหากได้เราไปได้ไปดูหนังสือไรภูมิเสร็จแล้วออ๊ยเดยน่าชะกัน เรงเรื่องวิชาปัญญาคุณรู้ชมไม่ได้ไฝอ ย, อยางรู้ใดแต่ว่าพราะองค์ไม่ได้มุ่งในตอนนั้นเหตุนั้นพระโลกอันนั้นเป็นของมันมีทิ้สนสุดและไม่เป็นเหตุที่จะทำให้พ้นจากภูมิใดจึงไม่ค่อยจะกราดนะักที่กรัสมากที่สุด สอนสงสอ น, สอนมากที่สุดก็คือขันธโลกคือโลกคือตัวของคนเราแต่ละคนคววกสองยาวหวานหนาคือถ้าใจน้อมเข้ามาพิจารณาตรงนี้แล้วจิตจะหดจิตจะรวมจิตจะอยู่ที่จิตจะมายืดออกไปจะไม่ปรุงมาแต่งยืดยาวออกไป ด้แจะเหตุโทษทุกได้จะ ย, ยอมสลักพระองค์จิเทศตอนนี้มากดังที่พวกเราพาทันเคยทาวัดเช้าบะฮูลาปวัจจิติพระองค์ปรักโดยมากทีเดียวลูฟังอนิจจังเวทนานิชสาสัญญานิจชาสังขาราจาิัญญาณิจจั ง, ง, านานจงูปังนาตา เรื่เวทนาสัญญาสญขานอุญญาตเป็นนิจังเป็นอนต่างในคนที่ยู่กับเป็นทุกข์นี่ตรัสมากทีเดียวตอันที่แน่สิ่งไหนก็สอนตรง น, นี้ถ้าหางเ้าจะมาพูดถึงเรื่องขันทโลกกันของมากมายหน้าคิดหน้าที่เจตนาหน้าคนกวา่ามากทีเดียวฐานทโลกคือตัวของเราถ้าจะแยกแยะ ออกเป็นสัดเป็นส่วนให้เข้าใจตามเป็นจริงของมันแล้วขันธโลกอันนี้นั่นะแไม่ใช่คนอย่างว่าแยกออกเป็นดินน้ำไฟลมขันธโลกไม่มีเส็แล้วไอคนเลยไม่มีสแล้วมีแต่ตัตกสมมติบัญญตัตสมมติบัญญตัตสมายเป็นของจริงอย่างว่ายืมคน เอาเอาชื่อคนมาเรียกแบบ น, นี้ที่ว่าคนก็ดีเล็กที่เรียกว่าหญิงว่าชายออันความเร็นจริงนะนั่นมันไม่ใช่ของจริงมีลูปกป้ากฏขึ้นมาก็สมมุติเฉยเฉยถก็ดูที่เกิดมาทีแรกมันมีชื่ออะไรคนเรานะ่พ่อแม่หรือญาตินอน ไปสมมติเรียกชื่อก็เฉยๆที่ตัวเด็กที่นอนอยู่ในอ้อมนั่นก็นยังไม่รู้สิ่งซ้ำว่าเขาเป็นอะไรต่วใดแต่คนเราหรือพ่อแม่พี่น้องอยา ก, กให้ชื่อเพราะนั้นชื่อนั้นปเป็นเ่ของจริงเราไปสมมติเรียกเสมายพอเป็นเครื่องหมายรู้เพราะรูปร่างลักษณะนี้มันเหมือนกันหลายกันมากในโลกอ น, นี้พอาให้หมายรวยไว้พอจําได้ เฉพาะชื่อเฉพาะแต่ละคนละคนความไม่จริงไม่มีจิตเมื่อเราเข้าไปตรวดตรวจพ้นถึงเรื่องขันธะโลกจริงๆกันกางคือโลกตัวนี้จริงๆนะจะเห็นไ ด, ได้เพียงดินน้ำไพลงหรือไม่จะนั่งก็จะเห็นได้เพียงรูปคนามหรือกายกับจิต ไม่มีต่วนมีตัวนหรือกาแยกแยกเอาไปเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆคนเนาะแต่ละคนนับทางตนแต่แยกผมออกไปส่วนหนึ่งผนเล็บมันหนังเป็นส่วนในส่วนเนื้อเอ็นกระดูกออกปเป็นส่วนนนส่วนแล้วคนเลยไม่มี แต่เห็นว่าจริงนะนั่นเป็นจริงนั้นหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วแต่จะต้องสลายไปในที่สุดแค่นั้นเี่ากับของจริงหนึ่งเป็นเสียงว่าสมมุตินั้นนี่ถ้าเรามาคิดคนหนึ่งพัขวขวงมากโลกนี้พัวพันทีเดียวยิ่งคิดยิ่งคนยิ่งพิจารณายิ่งเห็นของพวงวพันเห็นโลกอันนี้เป็นของทิ่สะดานมาก เห็ุนั้นนี่ว่าผู้ที่ต้องการธรรมะก็จะต้องมาพิจารณาโลกอันนี้มาค้นคว้าดูโลกอันนี้เมื่อเห็นชัดตาเป็นจริงแล้วเขาเรียกว่าเห็นธรรมไม่ใช่ไปเอามาจากที่อื่นดีกว่าเมื่อเห็นอันนี้ตามป็นจริงเขาเรียกว่าเห็นธรรมเหตุ น, นั้นนี่เป็นของเกิดดับเท่านั้นแหละไม่มากไม่น้อเลยแล้วเป็นของเกิดดับและไม่ใช่ตัวตนคนเรา แต่เป็นจริงหนึ่งเกิดดับขึ้นมาไอนน้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่า น, นี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมธรรมก็คือโลกอันนี้เองเห็นไั้เมื่อพูดถึงเรื่องเรื่องธรรมก็เอาโลกเนวจิตมาพูดอันนี้เมื่อพิจารณาโลกเม่อพิจารณาธรรมก็คือเอาโลกเนยวพิจารณาหาว่าจ ะ, จะพิจารณาให้เป็นสมถะท่านก็สอนให้พิจารณาใจาตาเห็นสุภานนพปฏิปูส จนจิตมันพดเข้ามาเป็นสมาธิมันไปยืดออกไปมันจะโลกทายนอกมันจะสงบลงไปได้ก็เรียกว่าอบลมธรรมะคือเอาโลกนี้มาอบลมยืดเอาโลกนี้่าพิจารณ า, นานยึดเอาโลกนี้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเมื่ออะไรจะเมื่อท่านจะสอนให้พิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เห็นสภาพของความจริงในโลก คือขันทะโลกกว่า น, นี้นะแต่ยกเอา น, นี่แหละเส้นพิจารณาปัญญาอภิษนาต้องพิจารณาของมีอยู่พดคว่าของอยู่จนก็ถ้าไหเห็นเป็นของสักว่าเรียกว่าปัญญาอภิษณาไม่ใช่ของไม่มีของไม่มีไม่ไม่ได้เรียกวิปัสสนาต้องพิจารณาของที่มีอยู่นึ่จะเรียกวิปัสสนา นี่จริงว่าคนในโลกอันนี้โลกกรธรรมันปนกัวอย่างนี้ถ้าหางแล้ที่พูดถึงเรื่องโลกแล้วคะนี้เอาพูดเข้าหลักได้ทีที่เรียกว่าโลกกรรมโลกกรรมคือธรรมของโลกนั่นเองมีสี่อย่างมีสี่คู่คือว่าได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีความสุข แล้วก็มีทุกมีแสงแลเสริน่าจะมีทางลองดูสิเรื่องอะนี้มีไปจับโลใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใครจะพิจารณาหไืพิจารณากระชัใครจะเห็นจริงแล้วไม่เห็นกระชาการได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียกว่าร่กได้สมบัติพราจฐานได้อัตภาพชีวิตร่างกายเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าได้ราก<ม>ได้ธรรมะ คือได้สินได้ทําก็เรียกขอการได้อันนั้นเรียกขหลากคือการได้เมื่อได้แล้วไปไหนกันทันสิ่งที่ได้มาแล้วนะ่ะมันก็ไม่ได้ไปที่ไหนะที่เราว่าได้เงินได้ทองเขของสมบัติทั้งหลายเอาของโลกมาใช้ของมีแต่ก่อนที่เรายัง่ยว่าทั้งกื เราใช้ในเวลาระยะที่เรามีชีวิตยอยู่เราแสวงหามาได้ก้นขวัญหาไม่ได้แล้วไปใช้ไปทั้งหมดไปทึงหากยังไปทั้งหมดยังเหลืออยู่เราก็าาาจะต้องดับแตกไปหมดคือตายเมื่อตายไปแล้วก็ไปอยู่ไหนมันก็อ ย, อยู่ของเก่าพูกาไไดกันง่ายเรียกว่าเราเกิดขึ้นมาเอาของโลกมาใชาา้ชั่วกลางชั่วระยะหนึ่ง ผูท้ที่ใช่พอก็ควรเก็กเวลาแล้วก่อนทิ้งไว้เนี่ยทิ้งไว้แล้วก็หนีไปคนเดียวแม้อาตภาพร่างกายคือตัวคนเรานี่ก็เพีเดียวเราไม่ได้มาจากโลกอื่นด้วยดินน้ำไฟลมมีอยู่ในโลกนี้เรามาเกิดก็เอาดินน้ำไฟลมในโลกนี้มาเป็นตนเป็นตัวมาพ่อคูนขึ้นใหญ่เติบโตขึ้น เวลาอยู่ใช้พอประมาณทั้งคนนะแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ต้นหลังมากเรามาใช่อีกต่อไปให้จะพูกนง่ายๆเทียบกันง่ายๆอย่างวัดนี่แหละเป็นของสาธารณะหากว่าใครไม่อยู่นี่จะใช้ไปกุทธิวิหารพอดีสถานที่ทต่างๆที่จะต้องใช้ทุกสิ่งทุกประการ เสนาธนกทุกกิ่นกประการใช่ไปผู้ซึกไปแล้วก็ทิ้งไปไหนนี้ผู้ใหม่บวชผู้ใหม่ก็ต้องมาใช่อีกต่อไปผู้ไม่ใช้อ น, นี้หมดภาระดุลาละตายไปคนอื่นเกิดมาแล้วคนอื่นมาอยู่แทนก็ต้องใช้ต่อไปอีกมึงเล่นแค่นี่ยทับยสินเงินทองของหมดอัจจะภาพร่างกายที่ตัวตนของเราเกิดนเหมือนกัน นี่เรียกว่าโลกพูดง่ายๆครับมันเรียกว่ามรดกของโลกคนถ้าไม่เข้าใจถึงเรื่องทั้งหลายเห่านี้แล้วได้ก็มาอยากให้เสื่อมเสือมันจำเป็นจะต้องเสื่อมสูญอยู่แล้วไม่ยังให้เสื่อมก็ต้องเสื่อมเมื่อไม่ยังให้เสื่อมไม่ยังให้สูญมันก็เป็นเดือดเปเครื่องเดือดร้อนเป็นทุกข์คล้ายๆกับเราไปโจรไปขโมยไปยืมของเขามาใชา้แล้วก็เลยโกงของ ข, อง ข, องของงาเงินอ่ะ มันเป็นเรืองไปโกงของของเนี่ยเรื่องสมบัติของโลกเรียกว่าโลกกระทำคือว่าของมีอยู่แล้วนะ่ะแล้วเกิดขึ้นมาเจออีกทีเดียวนะเรียกว่าโลกกระทำคือได้ลาบคือได้แล้วก็เสื่อมได้ยศเสื่อมยศยศน่ะมีหลายอย่างเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดี ที่มีปรากฏขึ้นมานอกจากนั้นกับมีบริวารยศมีคนหอน้อมล้อมเป็นบริษัทบริวารเรื่องบริวารยศอันเรื่องทั้งหลายนี้เหมือนกันยศนี่ก็เหมือนกันเราไม่ได้อามาด้วยมาของในโลกนี้ให้อย่างว่าชื่อเสียงเจตยิยศชื่อเสียงโ ด, ด่งดังแล้วก็มาสร้างคุณงาพอดีปรากฏในโลกนี้ เขาต้องต้องชมเชยสนรเสริญเลีเ่ยงเจียรติยศเขาก็มาเอาภาษาเป็นโลกอันนี้แหละว่าดีอย่างนั้นว่าดีอย่างนี้อะไรอ่างต่าชมเชยยกย่องสรรเสริญก็เขาต้องเอาโลกเอาภาษาโลกอันนี้มาพูดปรากฏการเกิดขึ้นแก่บคุคคลคนนั้นด้วยคุณงามความดีนะ้นเขาไปชมเชยบริวารและยศกับเพื่อ คุณงามควาดีคนอื่นที่ไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ก็บคาขอขาพึ่งบุญบา ร, รมีของเราเดี่ยบริวารอยู่แต่พวาม้ามกันนั่นน่ะคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ลังเสี่ยงหยาดหยามดูถูกคุณงามควาดีที่เราทำกันเดียวมันมเป็นการเสื่อมพร้อมไปในตัวถึงหากว่าเกียรติยศชื่อเสียงที่ว่า น, น่ะ จะมั่นคงท้าววันต่อไปก็ตามเถิดในวันหนึ่งรั้นมาคนที่นับถือและคนย่องย่องจมเกลื่อนแล้วนั้นหากว่าไม่ถูกกับจริตนิสัยแล้วมัไม่พอใจเขาเมื่อไหร่เขาก็เย็นยายอยู่ถูกพูดกันง่ายเห็นตัวอย่างบิดามารารักูกแสนรักที่สุด อะไรดีมดุดทางนั้นใช้จะไปะติดไม่ได้ใช้ไปชมก็ดีใจชอบบุกเข้าใจในวันหนึ่งข้างหน้าล่ะจะต้องโกรธให้ลูกของตอนจะต้องเกลียดลูกของตอนอย่างมองไม่ได้อืมมันป็นอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องของที่ได้ยศจะเสื่อมยศภายในทำนองเนี่ยลูก เทารอบนับถือพิธามันนาเราฉันเดียวครับในธํานองเดียวกันเทารอบนับถือบูชาอย่างยิ่งเห็นบุชคุณทุกด้านทุกทางแต่พรไม่ถูกอ้ถูกใจะไม่ชอบใจสักอย่างหนึ่งจะได้มันจะเหยียดหยามด้วยถูกกับทุกสิ่งประการจริงว่ายศได้ยศแล้วก็เสื่อมยศไปในตัวเพราะเสื่อมยศมันก็ได้ทั้นเสนกับมีนินทาไปในตัว แล้วก็มีสุขมีทุกข์ไปในตัวพร้อมกันไปหมดเลยเห็นนั้นผู้ที่พูดถึงเรื่องผู้ที่อยู่ในโลกและพูดถึงเรื่องโลกเรียกว่าลาบใน้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีได้สุขแล้วก็ได้มีทุกข์ฉันั้นเจรหน้กสนินทาหนีเรียกว่าพูดถึงเรื่องโลก ก็คือพูดธรรมนั่นเองพูดถึงเรื่องธรรมนั่นเองไม่ทราบว่าอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมพูดโลกหลือกายเป็นเอาเอาเอาธรรมมาพูดพูดธรรมแล้วเอาโลกมาพูดพูดพิจารณาเห็นทั้งโลกทั้งธรรมอย่างนี้เห็นโลกแล้วเห็นเป็นของเบื่อหน่ายเห็นโลกแล้วเป็นเรื่องหน้าเพิ่งเกลียดพึงกลัว เห็นโลกเลยถอนเชื่จากโลกด้วยเห็นแท้ตารจริงจริงไอ้จิตมันถอ น, ถอนจากโลกจิตมันมันอยู่ด้วยความสงบสุขไม่ไปเกี่ยวเกาะเกี่ยวอันนั้นเรียกว่าผู้เห็นโลกเป็นธรรมนั่นเรียกผู้เห็นธรรมเห็นโลกเป็นธรรมหรือจะเรียกว่าเห็นธรรมก็ว่าะคือเห็นโลกมันเป็นธรรมจึงเรียกว่าเห็นธรรมอันนี้ผู้ที่อยู่ในโลก มองแง่ไหนเป็นของโลกทั้งหมดคือเห็นสมบัติกระตั้งเขาของเงินทองก็ดีเลยเห็นการได้การมีเออเผลอลืมเนื้อลืมตัวแล้วเขาชมเชยย่องย่อ ง, องนะเสริญก็ลืมเนื้อลืมตัวเลยเป็นโลกทั้งหมดถ้าหาว่าเขาเปียดเ ย, ยียดยัก็เกิดเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์กระโชกทั้งนั้นทุกข์ก็ลืมตัวทุกข์ก็เลย เดือดร้อนเป็นทุกข์แต่เราเสริญก็ชอบชอบอกเจอบใจนิ้นทาก็ไม่ชอบอกชอบใจรู้ว่านั่นจะเป็นโลกทั้งหมดธรรมนั่นเป็นโลกทั้งหมดมันอยู่ที่ใจของคนเราคนเราถ้าหากว่าเห็นธรรมแล้วถ้าหามันยังเป็นโลกยังจะเป็นธรรมมันก็เป็นโลกไปทั้งหมดถ้าคนที่ใจเป็นธรรมแล้วเห็นโลกก็เป็นธรรมไปทั้งหมด เหตนั้นคนอื่นจะดีจะชั่วจะหยากจะละเอียดให้จะว่าอย่างไงอยังไงก็ตามเถิดอย่าไปโทษเขาให้โทษเราจะดีกว่าเพราะเราเป็นเรื่องโลกทั้งนั้นของคนเราแล้วมาฟุกฝนอารมณ์ตนเต น, ตนให้เป็นธรรมอย่างเขาเยียดย่าดด้วยถูกเราคนเราไมา่เจ็บอย่างคนเราชื่อ แค่ละค น, น, นเหมือนกันดังอธิบายมาแล้วจะซื่อนายเจ๋วหรือนางเจ๋วอะไรก็ตามเถอะแต่เวลาคนมาพูดเขาพูดอ้างหรือว่าพูดจิดาตพาดไปโดยกรำจิาตพาดไป่มาเรียกเป็นแมวไปซะคนที่ถูกเขาเรียกเป็นแมวเนี่ยเดิมซื่อเขวมาเรียกเป็นแมว ว่าเขาดูถูกเทียบย้ำต้นเทียบหมาเทียบแมวเลยเป็นสนองเลึกโดดดูสิแต่เราเองก็ไม่รู้เรื่องของเราจะโกรธเขาทําไมเขาพูดไม่ถูกข้าหาว่าเขาดูถูกเขาพูดถูกมันผิดไปแต่ป่านนี้ในเบนนื้องต้นเขาพูดเราไม่ถูกเลยนะมันไม่ใช่ชื่อของเรานะ่แต่เราหาว่าเขาถูกเราก็าพูดถูกไม่ไป เมื่อเป็นเค่นั้นแปลว่าเราเองก็ไม่รู้ตัวของเราถ้าหากเรารู้ตัวของเราเอ๊ะเขาพูดแมวไม่ใช่แจ๋วเนี่ยไม่ใช่ชื่อของเรามันก็สบายก็ไม่ได้ถือโกรถือกเกลียดไม่ได้ถืวเอาีจมีนประมาทตั ว, ตวเราแล้วก็สบายเลยเท่านี้แหละเรามาแก้ตัวของเราอย่างเรื่อยๆเขาจะเกลียดจะโกรธเราเขาจะชอบออกชอบใจแล้วเราไม่ชอบใจกระฉับ มันแก้ท้องเราทัื่อมดเลือกนะคอันนี้เป็นเรื่องของโรคแล้วไม่ได้เอานะมาเกี่ยวกับกาะว่ากับจิตกับใจเรามไม่บสบายเลยถ้าหากเรา เ, เอาเรื่องคนอื่นมันเกี่ยวก่อะแล้วเป็นทุกครั้งนั้นเลยเป็นโลกทั้งหมดไม่มีธรรมในตัวของเมีพระองค์หนึ่งเกิดดีประศนูใหนภาวนาทีแรกเลย เพื่อนเขาภาวนาดีดีคราวนี้เราก็เ อ, เอทำไมเราไม่ดีเนาะตั้งใจอยากจะภาวนาให้มันดีอย่างเขาก็ทำไปทำไปจิตนันไปเป็นภาวนาสมาธิเับหาว่าตนนี้เป็นผู้วิเศษวิสูจจะให้เอาเหลือเนือเขาถ้างนงั้น น, นานนเขาถือตนนันตรงจริงวิเศษวิสูจ พใครมันเเกลียดพวกใครมาพูดที่ไหนอะไรตา่างๆถามว่าเขาพูดเหลียดหยาดตนทั้งนัน้นเขาด่าตนทั้งนั้นเขาเลยไม่ได้ความสุขความสบายนอนเนี่ยก็หาไว้แต่เขาดา่าเขาพูดกันทีไหนที่ไห้สัหาวแต่เขาดาขา่าตุกเขาไล่สุนับในบ้านเขาดุให้ลูกให้ ห, หล้างเข้าอยในบ้านเละยิวัดไม่ได้ยินว่าหาว่าเขาดา่าเขาดุตุก ใหญ่เลยนี่เรื่องไปเอาคนเลือกของคนอื่นไว้ในใจของุนมันเลยเป็นโลกไปทั้งหมดถ้าหากว่าใจเป็นธรรมร็่แล้วโลกของจะเลยกลายเป็นธรรมสมัยครั้งพุทธกาลพระทาจานไปทำโภเพียงภาวนาได้ยินภรยาสามีเขาทะเลาะกัน เอามาเพ่งพิจารณาจิตเลยสงบจิตเลยรวมวิเวทจิตเลยเห็นโทษของวาจารของสารจิตเลยเยอมสละความยึดมั่นทัสำคัญในโลกว่าเป็นข่มดิบข่มดี ม, ดมีแต่แต่ทุกข์ไม่มีแต่โคมยุ่งวุววว่นวิบมาเกิดความเบื่อหน่ายจนเส้นเด็ดขหันี่เรื่องเป็นธรรมโลกวุกนลายเป็นธรรมทั้ม เหตุนั้นถึงว่าให้รู้จักแยกโลกกับธรรมออกจากกันถึงยังไม่ทันออกก็เอาเถอะแต่ให้รู้จักมันจําเป็นแหละเราเกิดมาทุกคนได้โลกมาแล้วทุกคนมันจําเป็นจะต้องใช้โลกอยู่กับโลกวันี้แต่ว่าให้ใช่อุบายปัญญาพิจะะารณาให้เป็นธรรมหากว่าเรายังพอดทิ้งไม่ได้เราก็ต้องใช้ไป ให้เป็นข้อจำกว่าอ น, นั้นเป็นโลก น, นั้นเป็นธรรมแบ่งแยกให้ออกจากกันให้เป็นสัดเป็นส่วนเรื่องโลกที่เราจะต้องใช้ก็คือว่าการพูดกาจาการอยู่การกินการไปการมาการหลับการนอนถ้าเราทุกอย่างนี้เรียกว่าเราใช้โลกตาหูจมูกร่างกายเราต้องมีเรื่องกระทบอายตชราภายนอกภายในสัมผัสถูกต้องใ น, นตลอดทากเวลาอันนี้เรียกว่าเราใช้ของโลก แต่ว่าใจของเราน่ให้รู้สึกโดยเสมอว่า น, นี่เป็นเรื่องลบไม่ใช่ทรรเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราเรื่องกระทบกระเทือนก็มีอายะนาผัสตัเพียงค่อยกระทบกระเทือนนีค่อยมีความรู้สึกนึกคิดได้อยู่เรื่องอ น, นี้เห็นเป็นภัยของจิตใจหรือเป็นภัยของความสงบอันนี้เป็นสื่อทิดต่อให้เกิดความสิริแทนเป็นเหตุในจิตของเราไหมบุริษ สถึงจิตใจยังองใสวุ่นุดก็ยังต้องรับรู้อยู่มันมีพิษแก่ในตรงที่ว่าจิตใจนนั้ท่านวุ่นวธิ์แล้วท่านไม่เอามาไว้รับรู้ท่าไม่ได้เอามายึดมาถือว่าเป็นตนเป็นตู่ของเต็วของท่านท่านก็ปล่อยวางผ่านไปใส่เรื่องทั้งหลายก็ผ่านไปผ่านไปท่านจึงไม่ได้เดือดร้อนสิ้นทุกข์หากว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วความบริสุท่์ขุ่นทำอะ ที่ถ้าบริสุทธ์หมดจดนั้นมันก็จะต้องมีการกระทบกระเทือนอย่างนั้นมือนกันเรียกว่ายังบริสุทธิ์หมดจดแหย่ยังไม่ได้คือมันยังกระทบกระเทือนยังปรากฏดิบของรู้สึกเหตุนั้นท่านจะต้องใช้กําลังจิตพิจารณาอย่างแจกล้าอย่างเข้มแข็งในมีสติยุทุกิริยาบทเย็นเรื่องนอนว่าจริงนั้นเป็นโลกนั้นเป็นธรรมมีทับการรู้เท่าเข้าใจตามวิธียึดตลอดกาลเวลา ปราใดถ้าหากขันคือโลกอันนี้ยังมีอยู่มันต้องมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามันมีกลิ่นมีไออยู่อย่างนั้นแต่ไม่ถึงกับว่ามันจะเน่าจะเหม็นทีเดียวกลิ Green, I, ่นไอนั่นปราป่วอยู่เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านยังอาศัยความไม่ประมาทผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องอาศัยคามไม่ประมาทจึงจะไม่เสื่อมคุณธรรม ว่าแตกดับไปเมื่อไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นเถือนนะจิตทั้ง่านเสียงบริสุทธิ์ฟุตสองของเต็มที่ธรรมะอันนั้นยังพรอยบริสุทธิ์ฟุตสองของเต็มที่แต่ก็อีกละถึงจะบริสุทธิ์ฟุตสองแล้วต้อง ม, มีใครรู้เห็นด้วยเห็นได้เฉพาะตัวนั้นทัคนเดียวเนี่อเรื่องโลกกับธรรมยากที่จะแยกออกจากกันได้มันมีป่าฝนกันอยู่เหมือนกับต้นไม้นี่เปลือก นี่ก็บพี่ไอ้ยังค่อยหนีแก่จารณาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าฮาก็ามีแต่แก่นอย่างเดียวเล้วไม่มีใครรู้ด้วยท่านนิพพานแล้วก็หมดเรื่องไม่มีใครตามเห็นตามรู้ด้วยเดี่ยวแก่นทำเพื่อดับแตกกแล้วทำมันวุวิสุดธันก็เม็ดามารถกดแก่คนสอบต้นไม้ตาฮาก็เหลือแต่แก่เขาเรียกาต้นไม้ตายอยู่หรือต้นไม้แก่ ไม่มีเขาเขาไม่เรียกต้นไม้เสรแล้วมันยังเหลือแต่แก่เขาเรียกว่าแก่ไม้แก่ไม้แล้วเน่ะอยู่ไม่นานจะต้องผุดพังต้นไม้อยู่ได้นานมีเปลือกมีกระพี่หุ้มห่ออยู่ได้ตั้งเป็นร้อยปีนานเลยแก่ไม้แก่นั่นอยู่ได้ก็ไม่ถึงห้าสิบหกสิบปีแล้วก็ขุดพังสมมติอย่างไม้แก่ที่สุด ก็ผูกคัาไปเลยศาสนาก็ชั้นเดียวคันถ้าหาก็มีแตแ่แกนแท้คือธรรมะล้วนแล้วจะไม่คงทนยืนนานจนกระทั่งจะสลา้อันนี้เพราะมีเปลือกมีกัะพี้คือวีพิธีปีต่อมีขนรทมเนียมมีระเบียบตามปฏิบัติ มีท่าทัดทุกอย่างเช่นการไหวพระส่วนบนการทำบุญเนรทานมีการสมาทานชิ้นหาชิ้นแปดมีการปันเทศปันธรรมบุญมีพิธีปีตรงเฉดมาธาอิจาระระลึกถึงคุณพพุทธปรรมพระสง์ในวันนั้นวันนั้นอะไรต่างว่าไปก็ตามเดืม อ, อันนี้พวกเปลือกทั้งนั้นในการพิเจราณา อาสภาปฏิคูนพิจารณาธาตุศาสนาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทปฏิรูปพิจาราปฏิปานสี่คนพวนี้อันนี้เป็นกะพีมูนี่แหละอยู่ได้กับมูนี้ถ้ามูนี่แหละุ้มห่อไว้ศาสนาก็ยืนอยู่คงนานมาจนสองพันปีผู้ที่มีปัญญาวิชาจะอาจเจริญคิดค้นเอาเจ้เพราะแก่ และก็เป็นของแต่ละบุคคลดังอธิบายมาแล้วคนค่อยจนเห็นแท้ตามเป็นจริงแล้วก็เหลือแต่เกลี่แกล่นะครัทั้งยังมีชีวิตอยู่มีวิปลาสขันยุตตาใจนั่นแต่ยังมีการเท่ากวดเถื่อนเรียกวกับพี่ยังติตมอกในกับพี่ยังติ่บ้างไม่หมดทีเดียวทางว่าดับขันเมื่อไรแล้วแตกตามเมื่อไรแล้วนั่งยืงเหลือแต่เกลี่ยมันด้วต้องมีใครตามรู้ตามเห็นด้วย ก็เลยหมดเรื่องใส่ศาสนาสืส่อไปนี้เหตุนั้นศาสนาพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จงไม่เหมือนกันบางองค์นั้นยังยังแต่แก่ น, นล้วนคือไม่ได้ไว้ศาสนาสืบไปเลยเทสนายพิจูตสามเนินผู้ดีมีนิสัยวาสนาพระมีได้สําเร็จมโหสได้ฟ้าแล้วก็หมดเรื่องแลักฐานนั่นัลยต้องบัญญตัติขบวี้ในและต่อไปไม่เหมือนศาสนา พ, พุทธเจ้า ศาสนาพุทธเจ้าของเราเนี่ยยังวางไหวศาสนาคือบรญดาติศขบวนในให้อนุชนเกิดมาที่หลังได้ดําเนินปฏิบัติตามรอยของทาง่านนี่จึงว่าเราเกิดสมึ้นมาในว่าโชคลามันดีที่สุดหากว่าท่านไม่ไหวศาสนาพวกเราปฏิบัติได้ทังหมดถ้าเราไม่สามารถจิตรู้จักเหตุทำคำสองเสกเจ้าเลยนี่เราอธิบายทั้งเรื่องวิธีแยกธรรมออกจากโลกโลกออกจากธรรม ให้เข้าใจทั้งโลกทั้งธรรมแล้วเราจะรู้จักแยกถ้าหาไม่รู้จักแยกคลุมเครือกันอยู่เอาโลกมาเป็นธรรมอะธรรมเป็นโลกเลยยุ่งมหมดหาความสงบตกไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกๆคนจงพากัะจดจําเอาอุบายนี้แหละไปคิดคิดนาแยกไปเข้าใจว่าธรรมมีในตัวของตนเมื่อมีเห็นธรรมมีในตัวของตนแล้วเราจะได้อุตสาห์พยายามคน้นคว้าให้เห็นธรรมเห็นโลกมีในตัวของตนสมบูรณบริบูรณ์แล้ว จึงได้ค่อว่าเราได้เห็นธรรมะ ม, มีธรรมะทุกเรื่งอยู่อธิบายมาในธรรมะพอสมควรในกาลเวลาโดยกายแ ล, วล้ ว, วลนั่งพอะนาะงทำสมา ธ, ธิกันคนเรานับจะเกิดมาไม่มีการเสียสระสักทีของภายในก็ของภ า, ายในายก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอ ยังต้องไปยึด ข, ของภายนอกอีกพระเดเจ้าท่านเทศนาว่าภาราฮาวีเป็นจักคำทาท่านห้านี้เป็นของหนักแปลพภราฮโลจะปุคโลแต่บุคคลก็ยังไปแบดเอาเป็นภาระอยู่ภาราทานหนังทุกขังโลกีผู้นำภาระทั้งหลาย เหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิคิปิตวาคหลุงพาลังนั่นยังพาลังนาธิยะจงพากันทิ้งพระนั้นเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไป ขันห้าได้แก่ลูกหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารนสังขารวิญญาณหนึ่ ง, ญญงเรียกว่าขันหะมีเรียกว่าย่อเรียกว่าลูกกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่าลูกสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึก ลูกในใจเรียกว่า น, นามโลก น, นี้เรียกว่าขันธโลกขนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ่งอย่างไรถ้าทิ่งมันก็ยังอยู่อย่างเดิมพวกทิ่งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิด มันก็นยังถือว่ามีรูปอยู่ชวนชีอย่างมีเวทนาเป็นตนไม่ต้องพูดต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเขาจากไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ก็ไม่ได้ นันหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายมันก็เป็นตามธรรมดาของมันเราจะไปยึดไปถือก็เท่านั้นจะไปยึดไม่ยึดก็เท่านั้นเวทนาจัญญาตั้งข า, งงานวิญญาณก็ทำนองเดียวกันไม่ท่านว่าอย่างนี้ ขันห้าของเราทำไมจึงต้องทิ้งขันห้าของเราทำไมจึงต้องละอันที่พูดทั้งหลักทั้งหมดลงมารวมในขันห้าทั้งนั้นเพราะทิ้งก็ต้องละอยู่ดี เพราทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ต้องละอยู่ดีๆนี่เองมันจะต้องปล่อยวางอยู่ดีแล้วอย่างเราตายไปพันห้าคือลูปมันก็ต้องทิ้งหมดเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้เวทนามันก็ของหนักหน่วงสัญญาสัญญาณนินยานมันก็เป็นของหนัก หนักหน่วงที่สุดจะเอาไปจะไปเอาสัญญาความจดจำนัน่นนี่เอาสังขารความรุงแต่ง น, นั่นนี่วิญญาณความรู้สึกมาไว้ในตัวของเราหนักที่สุดบางคนหนักจนเป็นโรคเช่นปภาตาเป็นบ้าเสียจนตายก็มี นักที่สุดด้วยการนำขันหามนี้ไปภ ร, ริยส่งสาวกหรืปุริเจ้าท่านปล่อยวางหมดขันทั้งหา้าท่านปล่อยวางแล้วสบายโล่งอกโล่งใจไม่มีกังวลเกี่ยวข้องไปในที่ไหนที่ไหนพ็ไม่มีกังวล เกี่ยวข้องถึงขันมีอยู่พระองค์ก็ทิ้งขันถึงสั้งขารของพระองค์ยังไม่แตกดับพระองค์ก็อใหม่มีพันธะอะไรทั้งหมดทิ้งหมดทำไมจึงต้องชนะขันอยู่เราหากจะมีคนถาม ต้องตอบว่าเป็นไปตามสังขารเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นไปตามเรื่องแต่เป็นแต่สักว่ากิริยาไม่ใช่ธรรมกันจริงๆอย่างจริงธรสักแต่ว่าเป็นกิริยาเท่านั้น